อันสาธารณมุธบริษัทท่างหลายและบรรดาเพื่อมีสุดสมณีวันนี้ก็มาฟังเรื่องสามาวดีต่อแต่เรื่องสามาวดีตัวนี้ยังไม่ถึงสามาวดีเป็นเรื่องระหว่างในโกตุฮลิกะ <c oughs> เป็นนั้นว่าในโกตุฮลิกะก็เป็นที่เล่าเมื่อวานนี้ไปจบแค่เธอตายเธอตายจากคนเข้าไปสู่ในท้องสุนนัขะ เพรจิตใจมังมุ่นมุ่งหมายคือมีความสนใจในสุ น, นัขตามที่เล่าเรื่องมาแล้วว่าขณะที่แย่ตายถ้าจิตใจนึกถึงอะไรมันไปจุดทั้งก่อนแต่ก็ยังดีมากที่เธอไม่มีโอกาสไปนรกเพราะการทิ้งลูกให้ตายในความจริงคุณยันลงนรกแต่ว่าทั้งนี้อาศัยที่จิตใจของเธอไปจับอยู่ที่สุ น, นัข เยาว่ากันจริงๆจำเหมือนกับมีสมาธิในสุนัขเนื้อเจ้าสุนัขนี่มันดีมากเราเป็นคนยังไม่ได้มีโอกาสกินข้าวปลาย่ขนาดนี้เจ้าสุนัขตัวนี้ท่านมหาสติคือท่านโคบานท่านกินข้าวเมือ่อไรท่านก็แบ่งให้มันกินมานั้นชนจึงได้สนใจในสุนัขความสนใจมีอยู่ตายจากความเป็นคนเข้าท้องสุนัข ล้วสุนักติดทองประมาณหกเจ็ดเดือนเทก็คลอดคลอดก็มาเป็นบุตรชายคือนายโกตฮริกะขอโทษนะเป็นสุนัขแสนลูกคเป็นลูกชายเป็นลูกตัวผู้หลังจากนั้นนายโคบาลผู้มีจิตเมตตาก็ให้ตั้งเอาวัวตัวหนึ่งที่มีนมคนน้ำนมวัวตัวนี้นะ่ะจงเลี้ยงเจ้าสุนัขตัวนี้ไม่ช้าที่ก็เติบโต พอย้อนหลังไปหาปัญญาใหม่ปัญญาเมาื่อผัวตายแล้ว่อในโคบานให้ข้าวคธอหนึ่งท่านานเธอก็หูถวายต่อพร ะ, ร, ะรัจจกของพระติจ้าและก็ทาวัดปฏิบัติด้วยความเคารพไดยมีความคิดว่าพร ะ, ร, ะรัจจกของพุทธเจาอยู่ที่นี่เราก็ควรจะเป็นเราเองก็ควรจะเป็นลูกจ้างที่นี่เลยจะได้มีโอกาสทำบุส ก, การท่าน ถ้าวันใดไม่มีอาหารจะถวายเราไหว้ท่านก็เป็นบุญนา่งตั้งใจอย่างนั้นต่อมาปรากฏว่าพระประเจพระเจ้า น, นานั้นท่านมาในจังว่าออกพรรษานายโคบานก็ใ น, นมลท่านไปพักใกล้ๆในถ้ำใกล้ๆได้่าทุกๆวันในโคบานนี้จะไปหาพระประเจพระเจ้า ว, วันหนึ่งครั้งบางสองครั้งบางสามครั้งบ้าง เพราะว่าต้องการสนทนาธรรมและฝังธรรมและรับคําแนะนําจากพระประเจ้าพุทธเจ้าเวลาที่ไปเขาก็นําเจ้าสุนัขแสน ร, รู้ตัวเนี้ไปด้วยเวลาถึงพุ่มไม้ที่เกรงว่าจะมีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่เขาก็ไม้ตีพุ่มไม้บ้างตีดินบ้างแล้วก็ส่งเสียงดังกันโชคเพือว่าสัตว์ร้ายที่อาศัยอยู่ตกใจจะได้หนีไป เล้วต่อมาวันหนึ่งในโคบายได้กราบเพียนพระบาเจคพรพตัวเจ้าว่าถ้าวันไหนกราผมไม่เวลกาดฟ้างจะมาอารัธนาพระคุณเจ้าได้ในตอนเช้าเพื่อ <c oughs> ไปฉันปตฐานครับผมจะส่งเจ้าสุนัขแสนรู้ตัวนี้มาแทนพระบาเจย์พระตัวเจ้าถึงกัยอมรับวันไหนถ้าไม่ว่างในโคบายก็บอกเจ้าสุนัขแสนรู้ ว่าลูกชายเอ๋ยจงไปรับพระผู้เป็นเจ้ามาฉันพัตตาหนาบอกบอกว่าพูดเป็นคำเดียวเท่านั้นแปลกดยเจ้าสุนัขแถนรู้ทานั้นก็วิ่งเปลือออกจากบ้านทันทีรู้ภาษาคนทางนี้พ่อและพ่อตายจากความเป็นคนมาเกิดเป็นสุนัขสัญญาเดิมยังมีอยู่ยังรู้ภาษาทุกอย่าง แต่ว่าพูดภาษาคนไม่ได้เท่านั้นเขาก็จะพูดได้แต่ภาษาสุนัขขห่าบ้างขอนบ้างอันนี้ถ้าเราเคยเลี้ยงสุนัขเตี้ยงสุนัขเตี้ยงแมวเราจะสังเกตได้สุนัข ก, กับแมวบางตัวที่มีการชินจะมีความฉลาดไม่เสมอกันสุนัขบางตัวเราพูดภาษาคนเธอรู้ทุกอย่างแสดงนึงการรู้แต่บางตัวก็ไม่ค่อยจะรู้ เพื่อที่มาต่างกันก็เป็นอนุวาจ้กสุนังแสนรู้ตัวนั้นเวลาที่ไปถึงพุ่มไม้ที่เจ้านายเคยตีพุ่มไม้บวกตีบินดินในสะเทือนบ้างส่งเสียงดังบ้างเขาก็เห่าเขาก็หอนเขาก็กอนโชคสองสามครั้งสแสดงไปการไล่สัตว์ได้ที่อยู่นั้นเห็นว่าสัตว์ไปแล้วเขาก็เดินทางต่อไป นี่สำหรับพระบาเจกพระตเจ้าเวลาเช้าทำธรรมเศรษฐกิจเือร่างหน้าร่างตาเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะอาบน้ำอยู่ก่อนได้เสร็จแล้วก็มานั่งอยู่ที่สลาปากถ้ำเจ้าสุนักแสนรู้ตัวนี้มาไปถึงเธอก็เห่าบังหอนบังสองสามครั้งแล้วก็หมอบคอยพระบาเจกพระเจ้าอยู่ที่หน้าบันไดเมื่อพระบาเจกพระตเจ้าถ้าพิจารณาว่าเวลานี้เป็นเวลาพระตาหาร เคยไปเวลานี้ทุกวันทั้งก็ไปเจ้าสุนัขแสนรู้ก็เดินนำหน้าแต่ถ้าบางครั้งพระบัจเจกุ菩萨เจ้าก็ทดลองว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันจะรู้จริงหรือไม่จริงจริงได้พยายามเดินหลีกทำไม่ความว่าแยกทางที่ทางควรจะไปตรงทั้าก็แยกซ้ายบ้างแยกขวาบ้างเจ้าสุนัขตัวนี้ก็กันหน้ากันหลังไม่ยอมไม่ไป พยายามุ่นพยายามดันดันพระพเจ้าพระเจ้าให้เข้าทางตรงมาวันหนึ่งพระพเจ้าพระเจ้าจะลองไปพิเศษแกล้งเดินทางแยกทางไปเจ้าสุนักกั้นกั้นเต้นกันไปยอมเต้นกันเดินลุยไปอีกเอาขาดันเจ้าสุนักให้หลีกไปเจ้าสุนัขเห็นว่าพระพเจ้าพระเจ้าไม่เป็นเรื่องแน่ถ้าผิดทางอุดข้าวแน่เจ้านายเล่นนายเล่นการแน่ ยังได้อ้อมมาคันหลังคว้าสะบงหมับก็ให้ดึงชายสะบงให้พระพเจ้าพุทธเจ้าเดินตามตอนนี้ตอนนี้ต้องยอมมันทั้งนี้เพราะอะไรเพรว่าตั้งหากว่าไม่ตามมันมามันดึงสะบงหลุดแน่เราจะซวยกันใหญ่เป็นนั้นว่าพระพเจ้าพุทธเจ้ามาฉันปัดหาตาหารตามปกติรวมความมาในการตอบมาเมื่อถึงเวลาเข้าบรรษา พระบาเจกพระพุทธเจ้าเพงได้บอกกับนายโคบาลมาถึงวาระแล้วที่จะต้องกลับบนภูเขาคันธมาดเขาจึงได้ถวายจีวรผ้าสําหรับอะไรได้ถวายผ้าสําหรับทําจีวรแก่ท่านพระบาเจพระเจ้ากลับกับนายโคบาลว่าท่านผูมีอายุชื่อว่าการทําจีวร อ, อันบุคคลผูด้เดียวทําได้ยากอาตมาจะไปสู่สถาน นิสับบยแลกจะทําไมายควาจะไปรวมกันที่ภูเขาคันธมาศหลายหลายองค์ชื่อกันทํานายโคม บ, บานยังประกาศกล่าวว่าท่านพุทเจริญนิมนต์ท่านไปทําท่านนิมนต์ทําที่นี่เถิดขอรับพระเจ้าพากกระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าภูมีอายุอัตมาไม่อาจจะทําได้เพราะต้องอาศัยร่วมกันหลายองค์นายโค บ, บังกล่าบเห็นว่าท่านพุทเจริญท่ากันนั้น ท่านอย่าได้ไปภายนอกให้นานนะครับหมายว่าถ้าไปได้อย่าอยู่ให้นา น, นครับรีบๆกลับมาชุนนักได้ยืนฟังคําพูดของคนนอนสองนั่นอยู่เหมือนกันเขารู้เรื่องพระปเจวัตถุเจ้ากล่าวกับนายโคบันว่าจงหยุดเถิดอุบาศกให้นายโคบันกลับแล้วหอกขึ้นดูวหห่หา ใบหน้าต่อไปภูเขาก็สามารหลีกไปแล้วสุนัขแลดูพระประเจกพระทเจ้าผู้หอมไอ้กว่าสุนัข ก, ก็มองดูพระประเจกพระุทธเจ้าหอบไปเดี๋ยวขึ้สือพิกหน้าพอไปทายกาศยืนเหาบ้างหออยู่บ้างนึกถึงอะไรในพระประเจกพระพุทธเจ้าในเมื่อพระบัจเจกรพระเจ้าพ้นจากสายตา ตามบาลีว่าฮัไทยคือดวงใจแตกตายคือขาดใจตายตอนนี้ก็ตามหัวข้อบอกว่าสุนัขไปเกิดเป็นโคศกเทพบุตรนั่นหมายความว่าตายจากคนมาเป็นสุนัขตายจากสุนัขไปเป็นเทวดาแล้บอกว่าจะชื่อว่าสัตว์เดชานทั้งหลายนั้นเป็นสัตว์ที่มีชาติชื่อตรงไม่คดไม่โกงสุนมนุษย์ ใจคิดไปอย่างหนึ่งปากพูดก็ไปอย่างหนึ่งไม่ตรงกัน น, นี่เราก็มีสัจจะสู้สุนักไม่ได้ทีนะว่าเหตุนั้นแลในในเปในเปิสะในเปร ด, ดสะนี่มันมาจากไหนผู้เป็นบุตรในควานช้างจึงกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญแท้จริงขันทบมันจกคือขันห้ามนุษย์นี้รกชัด แ้าแต่พระองค์ผู้เจริญแท้จริงขันธ์มบบันโจกคือขันห้าสัตว์ของเลี้ยงนิตื่นสุนักนั้นทำกาละแล้วไปเกิดปรนสวรรค์ท่านดาวดึงคบิพบมีนางอัรพันหนึ่งเป็นแม่ล้อมโอ้ดีมากนี่อาสัยเคารพในพระเิดีพระติจาวได้เสวยสมบัติใหญ่ก็เพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีความเห็นตรง ไม่คดไม่โกงด้วยการดังนี้เมื่อแทบพระบุทธนั่นไปเกิดบนสวรรค์ด่านดาวดึงแล้วท่านบอกเวลาพูดกับ1ิกับ1ิที่ใกล้หูก็คใครๆเสียงดังไปไกลประมาณสิบหกโยน์แค่กับ1ิที่หูเสียงดังไปไกลสิบหกโยต์ส่วนเสียงพูดโดยปกติดังกลบ เทพบรรทคทั้งสิ้นหมายควาดาวดึงทั้งหมดจะยินหมดพูดธรรมดาธรรมดาซึ่งแถวดาวดึงนั้นมีประมาณเหมือนยอดกว้างยาวเหมือนยอดนะดังหมดพูดธรรมดาเพราะจะนั้นเทพประบุคนนี้จึงได้นามว่าโคศกเทพบุตรุไอโคสกะเขาบอกเกิดกล้องเสียงดังหมายว่าเทพเทพบุตรผู้มีเสียงดังอันนี้ท่านบอกว่าท่านถามกันไอว่าเป็นผลเพราะอะไร เท่ากับ ว, ว่าผลที่เทพบระมุกคนนี้อย่าเสียงเดาเสียงดังเพราะว่าการเหา่าการหอนแสดงความรักในพระประเจรคุณเจ้าคอศกเทพบระมุกนั้นจำลงอยู่ในเทพปัญกรนั้นไม่นานนักก็เคลื่อนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะบุญไม่มากนะักให้กรรมบางอย่างให้กรรมที่เที่ยงลูกมัเข้ามาสนองความจริงเรื่องนี้ใครทีออไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากเพราะมีธรรมะยืนตัวเสร็จ แลนี้จะบอกเหตุที่ทำให้เทพบุตรต้องเคลื่อนมีสี่อย่างถ้าบอกว่าจริงอยู่เทพบุตรุทั้งหลายเทพบระ บ, รกระบรกุก็ดีเทพพิดาก็ดีนั่นเหมือนกันย่อมเคลื่อนจากเทวโลกด้วยเหตุสี่อย่างคือหนึ่งการสิ้นอายุก็หมดอายุไขในการเป็นเรวดาสองหมดบุญวาสนาบารมีหมดอายุแต่ไมายความอย่างดาวดึงนี่เขาเายุพันปีทีศ ถ้าบุญยังไม่หมดต่หมดอายุก็ต้องจุติเวการที่สองนันหมดด้วยต้องเคลื่อนวยการสิ้นบุญอายุถ้ายังเหลืออยู่ยังไม่ครบพันปีทิพย์แต่ว่าหมดบุญศสนาบารมีก็ต้องเคลื่อนจุติจุติแปลวาเคลื่อนสามดยการสิ้นอาหารหมายว่าผลทานนี่ทาไว้หมด ควาจริงเทว ด, ด า, วาไม่ได้เปิบข้าวกินแต่ผลทานที่บำเพ็ญแล้วในปัยมุบัหมดไปก็ต้องจุดติสีเทว ด, ด า, วามีความโกรธก็ต้องจุดติคือตายท่านบอกว่าในเหตุสีอย่างนี้เหล่านี้เทพบุตรองค์ใดทำบุญกรรมไม่มากเทพบุตรองค์นั้นเกิดในเทวโลกดำรงอยู่ตราบเท่าอายุแล้วก็เกิด แต่ละโลกชั้นสูงสูงขึ้นไปนี่นก็หมายความว่าถ้าก็สร้างสมบัรบุญบา ร, รมีดีสมบรณ์าตายจากความเป็นคนทํามากไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจตุมหรราชห้าร้อยปีมาห้าร้อยปีทิพพอหมดบุญบาบ ร, รมีรมแล้วก็ไปเกิดชั้น ต, ต่อต่อไปสูงขึ้นไปเอาบุญเก่ามีมาก ภายต่างกำลังของบนอย่างนี้ท่านบอกชื่อว่าย่อมเคลื่อนด้วยความสิ้นอายุแทบประบุอใดทําบุญไม่น้อยบุญนั้นของเทพบประบรนั้นย่อมสิ้นไปเสียระหว่างเหมือนกับญธญยาชาที่บุคคลใส่ไว้ในฉางหลวงเพียงสีห้กัษนานเท่านั้นเทบประบุองนั้นย่องทําการละเสียในระหว่างไม่ทันจะหมดอายุ อย่างนี้ชื่อว่าเคลื่อนไปด้การสิ้นบุญหรืออายุมาทันหมดบุญเมื่อก่อนแต่พบุตรบางองค์มักบริโภคกามะคุณไม่บริโภคอาหารด้วยการหลงลืมสติมีกายอเนื่อยอ่อนทํากาละอย่างนี้ชื่อว่าย่อมเคลื่อนไปิ้วยความสิ้นอาหารเทพบุตรบางองค์ไม่อดทนไม่อดทนสมบัติของผู้อื่น อะไรเนี่ยไม่อดทนสมบัติของผู้อื่นโกรธเคือง อ, อ่อได้จึงทํากาลังถึงตายอย่างนี้ที่ว่าเคลื่อนด้วยกางด้วยความโกรธเฮี้ยต่อดีไม่ดีท่านบ่าวโคส่เทพบุลรเกิดในกรุงโกสัมพี <c oughs> ก็ขอส่เทพบุต น, นี้มัวบริโภวกรรมคุณอยู่เพื่อเพื่อเพลินกันนางเทพบ่าวสอนมาดื้อมากเกินไปหลงลืมสติ จึงเคลื่อนโดการสิ้นอาหาร่อแลกการเคลื่องเสร็จแล้วก็ไปถือไปสนทิในท้องแห่งหญิงงามเมืองในเมืองโกสัมพีหญิงงามเมืองที่กระแตภาษาบาลีเขายะหญิงโสเพนีในวันคลอดนางถามท้าดว่านี่อะไรเมื่อนางทาสีแตบว่าลูกชายเจ้าค่ะนางจึงบอกว่าเขาบอกว่ายังไงคนาญาติพิกสีหน่อย ไม่ได้จำมาได้อ่านนสือแล้วเนี่ยสานวนจริดๆเปปะเปปะเปปะให้นางทาสีเอาไปทิ้งเสียด้วยคาว่าเจ้าจงเอาทารุกนี้ใส่กระโดงแล้วเอาไปทิ้งที่กองหยาเยื่รคมจริงๆนะแต่บอกว่าหญิงงามเมืองทั้งหลายหรือหญิงโสเภณีเนี่ยย่อมเลี้ยงเฉพาะลูกผู้หญิง ไม่เลี้ยงผู้ชายก็เชื้อสายของหล่อนจะสืบไปได้ก็ต้องด้ยลูกผู้หญิงไม่ว่าประเพณีการเป็นหญิงงามเมืองเนี่ยจะเป็นได้ตลอดสืบมันไปได้ก็ต้องลูกผู้หญิงลูกผู้ชายไม่มีใครแค่รับจ้างเขาจ้างให้ทําหรอกเมื่อลูกหญิงไปทิ้งที่กองขยะถ้านบอกกาบ้างสุงนักบ้างต่างก็พาการไปจับกลุ่มบ้านล้อมเด็กไว้ด้วยผลแห่งการเห่า ก็มาแวดล้อมมันก็หมายความป้องกันไม่มีอันตรายทั้งกายก็ดีทั้งสุนัขก็ดีมาแวดล้อมท่านบอกผลเร่งบบการเห่าการหอนในการสารรสกโรคพระพุทธเจ้าหรือว่าเห่าหอนป้องกันอันตรายพระปัจเจกพุทธเจ้าตามพุ่มไม้ที่ถึงพุ่มไมท้ที่จะเป็นอันตรายที่ก็เห่ากันชัว่วไรสัตว์เป็นเหตุให้กากาก็ดีแหลแงก็ดีได้ใสพุญก็ถือมาแวดล้อมป้องกันอันตราย ราาการเหา่กากันหอนจะเกิดเป็นความรักในพระปฏิปิฏฐเจ้าสัตว์ตัวหนึ่งก็ไม่อาจจะเข้าไปใกล้ได้ของกันหมดไม่จะ่มดเล่นไรก็ไม่ได้ในขณะนั้นคนผู้หนึ่งออกเป็นอกปานเห็นการจับกลุ่มของการรหือสุนัขทั่นคิดว่านี่ไม่เหตุอะไรกันยังเดินเข้าไปที่นั่นเห็นเด็กทารก หว น, นี้ได้เกิดความรักเหมือนก็เหมือนก็รักลูกของตนเองอเนี่ยกิข้าไปอุ้มนำไปสู่เรือนด้วยความมีใจว่าเราได้ลูกชชยแล้วินดนางกาลีบ่านางกาลีนำทาลกไปให้โขเยยบหนึ่งทิ้งแล้วนะผู้ทิ้งหนึ่งครั้งต่อมาในการนั่นเศรษฐีชาวเมืองโกสัมพี ไปสู่ราชสิกูลพบปุโรหิตเดินมาแต่พระราชวังก็จึงนดถามว่าท่านอาจารย์วันนี้ท่านได้ตรวจดูชะตาความประกอบของดาวเรื่อก่นอนเปล่าก็จะมีเหตุเคราะห์ดีและเคราะห์ร้ายเป็นการใดบ้างาปุโรหิตก็บอกตรวจจ้าถ้ามหาสิีกิตอื่นกิตอะไรอื่นของพวกเรานี่ไม่มี เรามีหน้าที่อย่างเดียวตรวจเลือตรวจยามตรวจโชคชะตาราศีตรวจตวจัต ว, ตตว ท, ท่านี้ถ้ามหาเศีก็ถามว่าอะไรจะมีแก่ชนบทหรือท่านอาจารย์หมายความว่าจะมีเหตุร้ายเหตุดีกับชาวบ้านชาวเมืองบ้างไหมท่านบ๊วยก็บอกว่าอย่างอื่นไม่มีครับแต่ว่าเด็กที่เกิดวันนี้จกได้เป็นมหาเศรษฐีผู้เป็นเสริอในเมืองนี้ในวันหน้า เวลาท่านท่านบอกเวลานั้นแปลกับพัญญาของท่านปะเสธีก็คันแก่เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านมหาเสตีได้ส่งคนใช้ไปสู่บ้านโดยเร็วที่คำว่าจงไปจงทราบว่าพัญญาของฉันเธอคลอดบุตรแล้วหรือยังคอดได่จะไม่คอดมาบอกให้ทราบด้วย แล้วเมื่อสั่งคนใช้แล้วก็ไปเฝ้าพระราชาเสร็จแต่ความจริงสถีสมัยนั้นพระราชาต้องแต่งตั้งให้มีขัดสามชั้นและมีกิจการเฝ้าพระราชาเหมือนก็เสนาผู้ใหญ่เนาบดีผู้ใหญ่เมื่อเฝ้าพระราชาแล้วยังกลับมาบ้านเรียกหญิงคนใช้ที่ชื่อกาลีมาแล้วให้หาทรัพย์พันหนึ่งเขาว่าเจ้าจงไปจึงตรวจดูในเมืองนี้ ให้ซับหนึ่งพันเอาเด็กคนนี้เกิดวันนี้มานี่หมายความว่าเมื่อกูใช้มาบอกว่าพัญญายังไม่คลอดบกครับกูคิดว่าไอ้เด็กคนไหนไม่ได้เกิดวันนี้มันไม่เอาไปซื้อมันมาต้องทําลายมันเสียนางกาลีก็ไปตรวจตราดูไปถึงเรือนนั้นเห็นเด็กแล้วยังถามหญิงแม่บ้านว่าเด็กคนนี้เกิดว่าไรเมื่อคนหญิงหญิงคนนั้นตอบว่าเกิดวันนี้เจ้าค่ะ พระจึงพูดว่าจงให้เด็กนี้กับฉันเถอะจึงประมูลราคาตั้งแต่หนึ่งก ห, ปหาปณะเป็นต้นไปให้ซับพั น, นแล้วนาเด็กนั้นไ ป, ปแสดงแก่เศรษฐีท่านเศรษฐีก็คิดว่าถ้าว่าลูกของเราจะเกิดเป็นลูกผู้หญิงเราจะให้มันอยู่ร่วมกันกับลูกสาวของเราแล้วทำให้มันเป็นเจ้าของตำแหน่งเศรษฐี ว่าลูกของเราเกิดเป็นชายเราจะฆ่ามันเสียมาดีแล้วสินะแล้วจึงได้รับเด็กคนนั้นไว้ในเหรือนต่อมาพันยาของมหาเศรษฐีคลอดบุตรมาเป็นชายโดยรวมไปสองสามวันท่านเศรษฐีจึงคิดว่าเมื่อไม่มีเจ้าเด็กคนนี้ลูกชายของเราก็จะได้รับตำแหน่งมหาเศรษฐีบัดนี้ เราควรจะฆ่ามันเสียเถิดตอนนี้แล้วยังเรียกนางกาลีมาแล้วกล่าวว่าแม่จงไปในเวลาที่พวกโคออกจากคอกเจ้าจงเด็กตัวนี้เป็นนอนขวางทางกลางประตูคอกแม่โคทั้งหลายจะเหยียบมันให้ตายแต่ต้องดูให้รู้ว่าโคเหยียบมันหรือว่าไม่เหยียบเมื่อทราบได้จงมาหาเรา นางกาลีไปแล้วพนนายโคบาลเปิดประตูข้อทถานั้นนางก็เอาเด็กไปวางมันนอนไว้ตามนั้นเหมือนที่ท่านมหาเศรษฐีสัง่งโคอุสภะซึ่งเป็นนายผู้ตามธรรมดาก็จะออกหลังโคตัวอื่นทั้งหมดแต่วันนั้น วันนั้นออกไปก่อนโคทั้งหมดไปยืนครอมเด็กทารกเขาไว้เนี่ยอาศัยบนเดิมของเขาวันนี้ไม่ทิบมยบธรรมะตนท้ายเพราะเรื่องนี้เป็นธรรมะอยู่แล้วและเวลาสี่นาทีว <c oughs> ้ในระหว่างท่าทั้งสี่แม่โคทั้งหลายต่างคนแล้วก็พาันเบียดเสียดทั้งสองข้างขั้งคสุภาพออกไป สำหรับนายโคบายะคนเลี้ยงโคก็คิดว่าเจ้าโคตัวนี้เมื่อก่อนมันออกที่หลังเขาออกที่หลังทุกตัวทุกตัวออกไปก่อนมันยิงออกแต่วันนี้ออกไปก่อนโคอื่นๆทั้งหมดเด้กก็ยืนยนิ่งอยู่ที่ประตูอคอกนั่นจะมีเหตุอันไดรักสงสัยมันเรื่องอะไรกันแน่ยังเดินก็ไปเห็นเด็กนอนอยู่ภายใต้ท้องโคนั้น หันกลับได้ความรักเหมือนบุตรจึงนาไปสู่เรือนโดยคิดว่าเราได้ลูกชายแล้วนางกาลีไปแล้วจะบอกกับสมัยผู้ต้องหาเสถี ถ, ถ, ถ, ถ, ถ, ถ, ถ, ถามว่าไอเจ้าเด็กคนนั้นน่ะโคมันเหยียบตายแล้วหรือยังตายเรียบร้อยแล้วหรอือนายก็บอกนางก็บอกนายไม่ตายสิไอเจ้าโคตัวใหญ่นายผูง่ะตามโปรตีมันออกที่หลัง แต่วันนี้มันนั้นออกก่อนชาวบ้านชาวเมืองเขาออกแล้วก็ไปยืนคร่อมเจ้าเด็กไว้โ อ, โ อ, โอโ๊ตโกตัวอื่นงไม่มีโอกาสจะหยิบเด็กแล้วก็ปรากฏว่านายโคบายนคนนั้นแกก็เกิดมิเกิดความรักกันมากับไปเลี้ยงไว้เมื่อเล่าเรื่องนี้ให้ธรรมหาสถีฟังธรรมหาสถีก็บอกเจ้าจงไปจงไป เอาซับไปหนึ่งพันแล้วก็นำกลับอีกบอกกับนาโคบาย่าฉันต้องการเด็กคนนี้ไว้เป็นลูกบุญธรรมนางกาลีจะได้นำซับหนึ่งพันไปแต่อย่าชื่อมันได้หรือไม่ได้เอาไว้กันวันหลังเพราะเวลามันเหลือหนึ่งนาทีอรันดาญาโยมพุทธบริษัทเป็นว่าเรื่องเรื่องนี้ก็ไม่ต้องนำธรรมะเข้ามาถอยหลังแม้มันมาอธิบายกัน ยังจ้ขอเตือนไว้ว่าหากว่าท่านหลายไม่ต้องการลงอบายภูมิให้นึกถึงความตายไว้เป็นปุิวติว่าเราจะต้องตายและยึกคุณพระไตรรนาคมคือพระเจ้าธระมพระอริยสงฆ์เป็นพึ่งถวายความรบในความจริงใจและหลังจากนั้นรักษาศีลให้บริสุทธิ์จิตใจตั้งไว้เฉพาะคือพระนิพพาน คิดว่าถ้าร่างกายนี้ตายเมื่อไรขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์กดมนุษย์ก็ดีเป็นเทวด า, าก็ดีเป็นพรมก็ดีจะไม่มีสักเปาเราต้องการจุดเดียวเพืนอผ่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหวนกลับมารักษาสนให้บริสุทธิ์ขอรบพระพุทธเจ้าให้จริงจังพระธรรมและพระสงฆ์อย่างนี้ทุกคนแม้ทำบาปโง่นมามากก็จะไม่ลงนรก แล้วก็ไม่จองเกิดเป็นสัตติริชันอย่างในโกตุฮณิกะอบบนัรรดาจันพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ูนผ ล, ลจงมีแด บ, บันดาจันพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี